เขาเขากระไรฟกในแขนกันมาที่หนึ่งค่ะให้เริ่มห้องค่ะห้าห้องก่อนนะค่ะเศษสติจันทร์ร่อนสอบผู้ไม่ดี เป็นลักเป็นลักเพื่อนแขนน่ ง, งเป็นมาตอห้างพอห้องเป็นมาตอหันต้อนี่เติมหันเติมนี่ยเป็นอะไนแหละโนกยย่ว่างดอกไนี่จะป่นี่กัชอบขวนี่่ <c oughs> เ, เลยยได้หรือไหรืที่ว่างไหโมชิตาโมชิตาพิสุนี เป็นคนสิงคโปร์ที่นี่ก็มีคนสิงคโปร์คนหน่าที่นี่มากับพวกเรานะพิกสุพิกนี่จำเนรีอุบาศกเลยจะไหมอุบาศกอะฮะจะจับอากไหมไอ้ไไเพียนรืจะอว่าศบว เฮ้ยผู้ากัลุ้งหนาลุ้ากรูก้ลูกแสดงหฟันสดพิกซุกแต่เคื่อมเดลลูกพอแดงไปแล้วกะลกพิกีนีพิกนีกไขี้เออพิกษนีกับมุทิตาจำเนรีเนี่ยว่าศกเลยว่าศกจ๊อไว้ว่าศกฮะว่าศกมีบะนางย ขวบิจิกานี่บ้านางเงินฮะขวบศกขวบศกวิจิกาขวบศกวิจิกาถ้าความหมายเน่ะไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไปตีราคาพิกขวบศกคือผู้ชายขวบิจิกาคือผู้หญิงไม่ใช่ใช่ยู่ขวบศกวิจิกาคือผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย พระพุนาไตยหมพระพทนาฏย์ไทยคืออะสามป่ะการปญว่าจกวาจิกาคือผู้นั่งใกล้พระพุทนาฏย์ไทยพระพุนาไตยคือพระพุพระธรรมพระสงฆ์ผู้มีคุณธรรมนั่นแหละคุณธรรมของพระพุนาฏย์พระพุทธเจ้าคือผู้ลูกผู้สื่นผู้เบิกบาน ผู้อยู่ใกล้ใกลกับความตื่นความเบิกบานผู้ใดอยู่ใกลๆไกลในแต่ความโลภความโกรธความหลงผู้นั้นไม่ใช่หวายตกไม่ใช่วายิกาผู้อยู่ใกล้พระราชันใจเนี่ยไม่ต ก, ก, กตัโลกติดอะไรกับภูมได้เพราะใจดีใจดีแล้ววายศกใจดีแล้ววายิกาใจดีแล้วกำลังยะ อยู่ในอยู่ในพระราชนาฏีผู้อยู่ใกล้ๆจะพู้ภาษาบ้านเราเรียกว่าวาสุกุยมผู้ชายวาสิกาคือยมผู้หญิง น, นั้นผู้ชายกับผู้หญิงยังไม่ใช่ว่าศกวาสาิกาตามความเป็นจริงว่าศกวาสาิกาตามความเป็นจริงคือผู้ที่อยู่ใกล้พระรัตนาฏีใกล้ศีลมีศีลมีธรรมมีเมตตากรุณานะ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 ในาศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราสมบูรณ์มั่นโคงในบริษัทภิกษุบริษัทมั่นคงเป็นผู้ที่มีคุณธรรมผู้เห็นภัยในวัตจภิกษุผู้เห็นภัยในวัตจัในวัตจักรที่วความเปลียนไหวตายเกรด ทิศสู่ผู้เห็นภัยในวัฏฏะเพือไม่ไม่เกิดไม่เกิดป่อยๆไม่เกิดโกรธไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตีช้าพัะจบานเป็นชีวิตทีจบลงจบลงเลยวางลงนะ ว, วางความทุกข์วางลงแล้วความโกรธวางลงแล้วความวิตรกคงวลวางลงแล้วตรงลงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นภัยแล้วไม่เป็ น, านภาระแล้วนะ ภิกษุหมายถึงผู้เห็นภยัยไม่ใช่ผ้าเหลืองหัวโลน้นอันนี้ยังไม่ใช่เป็นภิกษุภิกษุต้องเป็นคุทธรรมมีสติมีปัญญาช่วยตนเองได้ช่วยคนอื่นได้บ้างะสะมม น, นะสมณ น, นคือผู้ที่สงบจากอารมณ์ทั้งหลายไม่โผล่แฝง มาน่าไม่มีเื่นหน้าไม่ไม่เคลื่นสองเงาดูหน้าได้จิตของสมมนาคือผู้สงบม า, า จ, จะไม่ใช่เพศสมมนาหมายถึงคนผู้สงบไม่ฟูฟูแฝบแฝดจิตใจวางลงโปงได้อะใครก็เป็นได้ ไ, ม, ไม่ได้ไม่ได้เป็นโรคแบบนุ่งสิ้นนั่นก็เป็นได้นุ่งเสื้อสีดำสี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 บอกความโกรธคืนไปเช่นมันจะโกรธลูกโกรธหลานเนี่ยเคยบอกความโกรธคืนไปไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วควมโกรธเนี่ยเช่นโลูกต้าพ่อปัวจะทะเลาะกันพ่อจะทะเลาะกับลูกแม่จะทะเลาะกับลูกลูกจะทะเลาะกันก็บอกว่าแม่เนี่ไม่เอาแล้วนะควมโกรธบอกคืนไปไม่เอาไม่เอาไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้พ่อป่วเราไม่อยากให้มีการวุ่นวาย ไม่เอาไม่เอาลูกเก็บโกรธกันไม่เอาแล้แม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เแล้วลูกอย่าไปโกรธกันไปบอกว่าแม่เพี้ยนว่าท่านั่งอยู่รูปเฝ้าห่มยูแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบแม่ไม่เอาชอบความสงบชอบความปกติชอบแล้ความป๋าสาดีสมานสมาธิอ่านแจกเล่ากันเนีไม่เอาไม่เอามองคืนไปมองให้เขาคืนไป เอามาเอาเท่งเท่งเท่งเว่าบอกคืนมีอยู่แต่ว่าไม่รับมาเท่าไรก็บอกคืนบอกคืนบอกคืนหรือว่ารับไหวประเดี๋เงี่ยหัวฟังแต่เขาว่ายันก็โกเขาว่ายังก็โกเงี่ยหัวฟังใจใจมันว่าอะไรมันว่าอะไรพูดกับโกฟังดูพูดกับโกฟังแั้วมันว่าอะไรโกมันว่า้เงี่ยเงี่ยหัวฟังงานไม่ใช่ก็ะดัเงี่ยหัวฟัง ไม่ค่อเงี่ยหูฟังเสียงฉิมเสียงำทำเงี้ยหูฟังเสียงมานเร า, าว่าอะไรโกเพราะว่าอะไรกะนอกโกโลโกร้านโกเขาว่าอะไรเงี้ยเร า, า อ, ร อ, อ่านไม่เอาบอกคืนไม่เอาไม่เป็ว่ามีอยู่แต่ไม่เอาความโกรธความโลภความร้องความรัก ค, ค, ความชังมีเท่าไหร่ไม่เอาค่ะมาหนึ่งคืนหนึ่งมาสองคืนสองมาสามคืนสามบอกคืนไปบอกคืนไป เรียกว่าภิกษุอุปสมณะภิกษุอุปสมณะอ่ะาอันนี้ก็มาผ่อนได้ฮะแต่ขเขาไม่แม่เยังไม่แม่เลยวันนี้จะได้ดูลงลงทานแน่อยจะได้ทำความสะอาดเพราะเราเชั้นเสร็จแล้วเข้าลง ทานลองดูจัดสิ่งจัดของเตรียมพื้นที่ให้น้าขังโยใต้วันล่างเถอะเรายกไปนคอนออกมันไหลอยอยนหีมันแห้ง <c oughs> <c oughs> วันนี้จะมียาทีท่ทาขเขามาจากปุริล่มจากแคยภูมจากประเทพก็มาแล้วจากสิงคโปร์ก็มาแล้ว อ้ายินดีป๊แม่เพื่อนแกที่นีต้องรับที่เสมอให้ยัยมันห้ามแม่แ่าได้ว่าเป็นอย่างนั้นเหรแต่เห็นเห็นโยมมาวัดมาวัดอ่ะโอ้ยเซินช่อมเลยเนาะเข้ากัเซินช่อมเซินช่อมยินดีแต่ว่าทางเราเข้ากับว่าไม่ประโยชน์แล้วเฮ็ดชาละลังมืไงเน่ยเฮ็ว่าเ็ว่าแต่พี่คนวัยโยมาพักอ๋ออ๋อสีหลายเนาะ อ้ามตอไปละพับผิดิตังปะจิตังตุมังขออิจารผลีธัรมามแล้ทั้งใจแท้ที่ทรมีวาสนาจตุชงสมฤตโดยชอบลาสัพเพูเรนดุสังกปาขอความำรรีทั้งวงทรงเต็มที่จันโวปนัสโวยะตา อันรนควตอนนี้ชเิดรัมยาตาอันเมนียนสวาสว่ให้ควรยินดีสาิิียววันตูดนันไรทั้งดวงจงลาไปสรรโควินาศตุกังดตันจงายมาเทันตุระยอันใดยามีเกัด สุข <t> ีที <t> ่กายกูภาวะอันจงเป็นมีความสุขมีอายุยืนอาภีวาตนาศิลิสมาจอมุตานภะทายโจตารุตามาวัตตันติอายุวนโนสุขังวาลงอนสีประการเกีอรยุวันนาสุขะภาลาเยมนจะเดินเกหุกคนโตมีคนที่ไรกลาง มีปกติวันน้อมต่ผู้ใหญ่เป็นนิพพานขุสัพพะมันกลางขอสัพพะมุมกุญจงมีแก่านพระคันยุสัพพเดวตาขอหลังเทวดาทั้งกุญจงรักษาทานสัพพานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนะโนย้อยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาสุทินุวันทุเดชขอควาวดีทังหลาจงมีแต่ท่านุเมือเถ อะเทสังขโยเนสวินต๎าตังอะเทเสวะมิเนวะโตวะยัญะมัททะยัญญะมนายัะวิปสนาาววมาสยสตติานยุริยารมจรยานุกนาิิปุรนัจนปฏิภานัจน ตาเ i สามิยาตาลาจมิภวิสติจิตตาจัสวิารจิ